เป็นที่น่าติดตามเลยทีเดียวและขอเชิญท่านสาธุชนมาตั้งใจสดับเนื้อหาสาระของธรรมบรรยายจากหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยะมังคโลโดยพร้อมกันในบัดนี้เราประกอบทานกุศลแก่พระภิกษุผู้ตั้งใจศึกษาปฏิบัติธรรมขจัดขัดเกลากิเลตอยู่เป็นประจำ และแม้ในปัจจุบันที่กำลังจะถวายสังฆทานนี้นี่ขึ้นชื่อว่าสังฆทานไม่จะพาะเจาะ จ, จงอย่างนี้พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงว่าเป็นมหากุศลอย่างยิ่งและนอกจากเราทำเองนะอย่างหนึ่งชักนำผู้อื่น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 ต่อไปก็ไม่ใช่เลี้ยงพระพระไปก็ตั้งวงเล่าสวัสดีเลยนั่นแหละบริวารสมบัติก็มิชฉาทิฏฐิผสมเข้าไปเพราะฉะนั้นความแตกต่างซึ่งคนในระดับที่เรียกตนเองว่าปัญญาชนมักจะวิาพากวิจารว่าทำบุญที่บ้านก็ได้ได้บุญเหมือนกัน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 มีระดับจิตใจอยู่ในสภาวะที่ดีเลิศสำหรับแต่ละบุคคลซึ่งรวมกันเป็นคณะผู้ปฏิบัติธรรมนี้นอกจากนั้นนี่อีกโสดหนึ่งนะที่ว่าท่านได้อานิสงหรือมีอานิสงที่สูงยิ่งไปกว่านั้นอานิสงต้องแจกแจงต่อไปอีกว่าทานกุศลเราจะทำสังฆทานนี้เป็นทานกุศล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 และผู้ที่ถวายนั้นอนุโมทนาอยู่ในใจเป็นสังคทานไม่เป็นปุคลิกทานอันนี้ให้เข้าใจไว้ด้วยอีกประการหนึ่งที่จะไข่ชี้ให้เห็นว่าทานกุศลอันสำประยุทธ์หรือประกอบด้วยศีลกุศลตั้งใจรักษาศีลชำระ ก, กายวาจาสาและก็ภาวนากุศลทำใจให้ใส่ แล้วก็เจริญปัญญาในเรื่องบาปบุญคุณโทษให้รู้ตามที่เป็นจริงนี่เป็นปัญญาเกิดจากการภาวนาและเป็นปัญญาที่เกิดจากการสัดับตรับฟังเป็นสุดตมไมปัญญาและพเป็นภาวนามัยปัญญาและได้พิจารณาไตรตรองแล้วเห็นสมถูกต้องเหมาะสมก็เป็นจินตมไมปัญญาครบองคสา ท่านมีทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาสมาธิแหละปัญญาเพราะอย่างนี้ประเสริฐละถ้าจะเปรียบปุปมาแสงสว่างก็คือว่าแสงสว่างที่ท่านได้จุดขึ้นทำขึ้นทั้งสามประการทานศีลภาวนาเพื่อละชั่ว คำว่าชั่วนี่ยอย่าฟังเป็นคำหยาบให้นึกว่าเป็นกรรมที่เป็นบาปอากุศลที่ให้ผลเป็นความทุกข์เดือดร้อนละชั่วเนี่เริ่มตั้งแต่วางอุปทานยึดอยู่ในครอบครัวในทรัพย์สมบัติในหน้าที่การงานในอะไรอะไรทั้งนั้นวางถึงมาได้ไม่วางมาไม่ได้ วางอุปทานในตองคนมีปัญญานะไม่มีปัญญามาไม่ได้มันติดนุบนับนุบนับนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็นี่เรียกว่าละชั่วนอกจากนั้นมาบริจาคทานกุศลให้เกิดปัญญารู้เช่นนะว่าเรามาชาระล้างความเห็นแก่ตัวตรหนีเหนียวแน่นเพื่อประโยชน์แก่คนอื่น อุทิศส่วนกุศลก็ไม่เห็นแก่ตัวจะกอบบุญโกยบุญแต่ผู้เดียวไม่ใช่เราเป็นผู้รู้ด้วยปัญญาว่าบุญไม่มีที่สิ้นสุดคือความสะอาดบริสุทธิ์แห่งใจไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองจึงอุทิศให้ไม่เลือกชั้นวันนะไม่เลือกบุคคลที่รักที่ชังให้เขาไปเถอะให้เขาไปทำไมยิ่งคนที่เกลียดกันให้ไปทาไม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 นีละความตรีเหนียวแน่นความเห็นแก่ตัวใหเข้าไปใจเราก็กวา่าด้วยการอุทิศส่วนกุศลไม่ถือเขาถือเราแล้วผู้อนุโมทนาละ่ะผู้อนุโมทนานี้ถ้าใจบริสุทธิ์แล้วก็อนุโมทนาใครทำดีแม้คนนั้นเราเคยรักก็ดีเราเคยชังก็ดีถ้าเขาทำดีเราอนุโมทนาเราอนุโมทนาความดีนี่ปัญญามันเกิด มันช้ำแหละลงไปช้ำแหละลงไปในเนื้อของธรรมชาติเราไม่มองบุคคลแล้วบุคคลไม่มีความหมายสัตว์บุคคลจริงๆแล้วต่อไปเป็นอนัตตาแต่ความดีมันจะเพิ่มเป็นบารมีเป็นบุ ญ, เ ป, บญเป็นบารมีอยปะบารมีปรมัตบาร ม, ารมีตอนนี้ผู้อนุโมทนาส่วนบุญก็ไม่มีมานะทิฐิใส่กันเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ได้ออนุโมทนา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 หรือว่าพ่งดีนะั้นนิดเดียวและนอกนั้นก็เป็นสันดานไม่ดีอยู่เรื่อยนั่นแหละเราจะมีที่พึ่งประเภทนั้น น, ะนั่นผู้อนุโมทนาบุญหรือผู้ทําบุญด้วยมันละเอียดอ่อนนะเรื่องบุญแต่ถ้าเราเข้าใจเราจะรู้นี่แหละเพราะฉะนั้นนี่เมื่อเรามาทําบุญคำว่าบุญให้เข้าใจนะ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 และบุญนี่อยู่ที่ไหนบุญมันก็อยู่ที่ใจใจอยู่ที่ไหนใจก็อยู่ศูนย์กลางกําเนิดธาตุทำเดิมและมีผลยังไงมีผลทำให้ใจต่อใจข้างในของเราใสาสะอาดบริสุทธิ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพิ่มเป็นบารมีเป็นอุ ป, ปบารมีปารามัดบารมียิ่งยิ่งขึ้นไปและยังไงประทับ อยู่หรืออีกในหนึ่งชําระาธาตุธรรมที่ไม่สะอาดให้สะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะเป็นกายหยาบของเราเนี่ยมีาธาตุละเอียดมีธรรมละเอียดควบคุมอยู่ณภายในถ้าเผื่อาธาตุละเอียดนั้นถูกชําระด้วยธรรมชาติที่ชื่อว่าบุญาธาตุละเอียดนั้นก็สะอาดเมื่อาธาตุละเอียดนั้นสะอาด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 โยมมานี่ถ้าเดือดร้อนมาไม่ได้เอาง่ายๆใช่นี่แหละแล้วก็ยังว่าได้ถูกทางเนี่ยอันนี้สำคัญมากคนมีเงินใช่ว่าจะทำถูกทางหมดไปแน่นะคนมีเงินมีทรัพสมบัติมีลาภสกสากรยศสรรเสริญสูขมากเนี่ยใช่ว่าจะเดินถูกทางเที่ยงตรงต่อ น, นิพานเสมอไปหาไม่ได้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 ถ้รทำที่สะอาดบริสุทธิ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่างนี้ภาคผู้เลี้ยงผู้สอดผู้ส่งผู้สั่งผู้บังคับผู้กครองถึงต้นในต้นก็เป็นฝ่ายบุญฝ่ายสัมมาทิฏฐิที่ให้ผลเป็นแต่ความสุขความเจริญ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 เป็นชีวิตของพระอาริยบุคคลก็เบาเต็มที่ละ่ะไม่มีการหนักถอยหลังไปประพฤติปฏิบัติที่ไม่ดีที่ไม่ชอบอันจะมีผลให้ได้รับความทุกข์เดือดร้อนถึงขั้นตกไปสู่อบายภูมิได้นี่ความละเอียดถี่ท่วนของเรื่องบุญเพียงเรามาทำเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะ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 ตั้งแต่เวลาแปดนาฬกาเป็นต้นไปเดือดร้อนมีทุกใจเข้าวัดไซกราบพระพุทธชัยมงคล